พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่28พฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่าเลือกรักษาสินให้เหมาะสมกับตนเอง วันนี้เป็นวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2556พระในวัดของเราช่วงนี้316รูปลงมาฉัน26ขาดมดฉันไป10รูปและก็ น, นาคหนึ่งพวกเราทุกท่าน ที่พวกเราพูดหรือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพุทธบริษัทพุทธบริษัทสี่ภิกษุสมมาเนรอุบาสกอุบาสิกาแต่กอนนั่งภิกษุภิกษุณีพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุ ภิกษุณีก็คือในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้ารับผู้หญิงบวชเป็นพระภิกษุแต่ว่าศินท่านรักษาศินนะภิกษุณีรักษาสินมากกว่าผู้ชายศินสา0ร้อกว่าสิกขาบทแต่พระเนี่ยสองสิกขาบทแต่ผู้หญิง300กว่า คำว่าศีลคำนี้คือกฎระเบียบห้ามในเมื่อพระภิกษุทมลงไปที่ว่าไม่ถูกต้องได้รับการเดือดร้อนผู้อื่นหรือว่าได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้านอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินัยแล้วบอาเป็นศีลขึ้นมาละข้อหนึ่งนะต้องชาวบ้านร้องเรียนยังไง คือพระภิกษุไม่จําพรรษาภิกษุเดินออกทุดงเที่ยวทุดงไปในป่าบางทีก็ไปทั้งหลายร้อยรูปไปด้วยกันบางทีก็สามสี่สิบรูปห้าสิบรูปพระสมัยนั้นเยอะแต่นี้เวลาไปก็ไปเหยียบพืชไร่ของเขาพืชนาของเขาที่เขาปลูกเพราะพระในเมืองบางคนบางองค์ก็ไม่รู้ ว่าเป็นผ้าในเมืองไม่เคยรู้ว่าอันนี้คืออะไรแต่ไปเหยียบของเขาเขาเสียหายไปเหยียบคันนาของเขาอ่าแหลกพรมันพ้าเป็นร้อยเหยียบย่าลงที่เก่าชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนอเขาขอบพูดสนทนาอะไรโอ้พระผู้เป็นเจ้าหน้าฝนก็น่าจะพักผ่อนน่าจะอยู่เป็นที่เป็นทางไม่น่าจะเที่ยวเตรยอย่างนี้ทําให้ ชาวบ้านเขาเดือดร้อนตอนนี้พระสงฆ์ได้ยินก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทราบเรื่องราวเอาบัญญัติฟีไนภิกษุใดก็าตามที่บวชในศาสนาของเราต้องจำพรรษาสามเดือนตั้งแต่เดือนแปดเพนจนถึงเดือนสิบเอ็ดเพนถ้าองไหนไม่จำพรรษา สามเดือนปรับอบปตจจุกฏแต่เราอนุญาตเพราะยังเดินขณะที่เดินทางยังไม่มีที่ให้เขายังเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราอนุญาตให้จำพรรษาหลังได้คือตั้งแต่เดือน8ดเพนไปถึงเดือน9เพนให้จำพรรษาหลังแล้วไปออกเดือนส2บสองเพน ถ้าภิกษุใดไม่จำพรรษาปรับอวบัตกกุกฎอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือตั้งสิกขาบทหนึ่งขึ้นมาล่ะแต่นี้พิกษุทำความผิดหลายๆมาตราหลายๆครั้งพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินยัยให้พระสงฆ์ปฏิบัติแล้วปฏิบัติปฏิบัติอีกถ้าหาพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ขณะนี้นะ วินัยของพระพุทธเจ้ากคงจะมากคงจะตัวไหนที่ไม่จําเป็นก็ถอนไปตัวไหนที่สิกขบทไหนที่เป็นจะเป็นประโยชน์ต่อในยุคช่วงนั้นพระพุทธเจ้าก็คงบัญญัติวินัยเพราะฉะนั้นเรื่องศิลสินเนี่ยถ้าจบแล้วก็คือไม่ใช่ของดีพุสรุปแล้วคือคนกระทาความผิดแล้วก็บัญญัติ ตั้งกฎให้ผู้ที่กระทำความผิดจะแสดงว่าพระทำผิดมากเท่าไหร่ศีลและวินัยก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนั้นอย่างภิกษุณีทำไมมีศีลมากก็เพราะว่าภิกษุณีทำผิดมากทำอะไรทำอาบัตหยุ่มยิมไปหมดพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติวินัยคุ้มครองปกครองไม่ให้ทาความผิดนาน อันนี้ก็คือการตั้งวินัยศีลและวินัยแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานวันเดือนหกเพนท่านก็ได้สั่งสั่งเสียพระอานุ์เหมือนกันดูก่อนอนุนซิกขาบทหรือว่าศีลและวินัยอันไหนที่ยุมหยิมเกินไปทางวาพวกท่านพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะถอดถอนก็ถอดถอนได้ถอดถอ น, ถอนทิชข้าหบทที่ว่าอาบัติที่เราบัญญัติไปนั่นน่ะมันหยุมหยิมจะถอนก็ถอนได้นะอานน์ให้พระสงฆ์ประชุมกันนะถอนได้แต่พระอานน์ไม่ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าที่พระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์ให้ถอดถอนพินัยนั้นถอนทิกขาบทไหนกลุ่มไหน เรื่องอะไรขนาดไหนเขาว่าหยุมหยิมฮะพระนรนกราบไม่ได้กราบทูลเพราะเหตุว่าพระนรนพาได้ทราบข่าวพระพุทธเจ้าจะปรินิพานพระนระนยังเป็นพระโสดาบันอยู่ใจของพระนรนยังหวั่นไหวกวแกว้งคล้ายๆแมีความสดสังเวชเึกๆในใจวิตกกังวลพูดง่ายๆพระนรนยังวิตกกังวล ในการจะจากไปของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพระอานุ์จึงไม่ได้กราบทูลถามว่าอาบัติที่จะให้ถอนนั้นอยู่ในกลุ่มไหนประเภทอะไรไม่ได้ถามพอพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพระสงฆ์พระมหาคัตปะเป็นประธานสง่งก็ถามว่าพระพุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างอานน์ที่ท่านอยู่ใกล้ชิด พนนระนรินท์ก็ได้ยกเนี่ยสิกขาบทหนึ่งนี้ขึ้นมาแต่หลวงพ่อจะไม่พูดซิกขาบทอื่นๆเรื่องอื่นๆที่พระพุทธเจ้าสั่งแต่ท่านก็ถ้าจะพูดไปแล้วยาวเหยียดแต่จะพูดแต่ตรงเนี้ยตรงที่มันเกี่ยวข้องกับที่หลวงพ่อจะพูดขณะนี้ว่าถ้าหากว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นว่าที่เราบัญญัติศีลและวินัยเราจุกจิกยุมยิมเกินไป พระสงฆ์จะถอนก็ถอนได้นะอาน o n พระพุทธองค์สั่งอย่างนี้แต่พระมหาการปะถามว่าพระพุทองค์สั่งอย่างนั้นโดยกลุ่มไหนกฎหมายกลุ่มไหนกฎกติกากลุ่มไหนข้าบทแถวไหนพระอนุ์บอกว่าข้าพระองค์กระผมไม่ได้ถามเพราะว่าจิตใจพิถกกังวลในช่วงนั้นพระสงฆ์ก็ตาหนิตำหนิพระอนุ์ว่า เรื่องสำคัญอย่างนี้น่าจะกราบทูลถามพระพุทธเจ้าให้เป็นแนวทางเอาไว้แต่พระนุนก็ยอมรับสารภาพวบามันพี่ตกกังวลจริงๆในช่วงนั้นคิดไม่ออกที่จะถามทูลถามเรื่องอะไรนี่แหละแต่นี่ก็มาประชุมกันพอประชุมกันเสร็จเลบร้อยแล้วพระสงฆ์ก็ลงมติกันขนาดเป็นพระหันเหมือนกันนะพระหันทั้งหมดห้าร้อยรูป ใครจะให้ถอนตรงไหนที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระสงฆ์ทั้งห้าร้อยธูรวนแล้วจะเป็นพระอารหันต์ยังไม่เอกชนอ่าพวกเรานะไม่ต้องพูดถึงปุตตชนพูดแทนราษดรเนีเ่ยเต็มไปด้วยโลภโกรธหลงะจะให้เป็นเอกชนเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าพื้นความรู้สถานะการเป็นอยู่วิทยฐานะ การดำรงชีพโคตรตระกูลโคตรเงาเหล่ากจากชาวไร่ชาวนาจากพ่อค้าจากแต่และตำแหน่งข้าราชการทหารตำรวจมันมีมากหลากหลายแต่แล้วจะเอาความรู้เหล่านั้นมาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมันยากเพราะนั้นท่านจึงพอไปชุมกันเสร็จเรียบร้อยไปคนละทิศละทางเลย เอถ้าหากว่าพระมาหากัสริยที่เป็นประธานสงฆ์นะถ้าท่านไม่ได้เป็นพระหรหนะันท่านก็คงจะเอามือกลุ้มศีรษะเหมือนกัน่ะพระทั้งห้าร้อยรูปมีความคิดเห็นไปคนละทิศละทางกันแต่นี่ท่านเป็นพระหรหันต์ท่านปล่อยวางได้ท่านสบายอะไรก็ได้เอาพูดมาะออถ้าสงฆ์ทั้งหลายก็แสดงความคิดเห็นพ้นถึงก็น่าจะถอน อาบัตอภิสมาจาร์กลุ่มนั้นกลุ่มนี้เขถอนขึ้นมาจนถึงอาบัตทุกกฎอะไรลักษณะอย่างนั้นไล่ขึ้นมาเรื่อยคือ น, นายนาณาให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยพระมาหากขจปาก็ฟังผลที่สุดท่านก็เลยสรุปแปลว่าการที่จะถอดถอนอาบัตเล็กน้อยอาบัตจุ๋มจิ๋มเนี่ยไม่เป็นเอกชน เพราะว่าการแสดงออกเนไปคนละอย่างกันความเห็นแตกต่างกันแต่ละกลุ่มพราะนั้นคงคงไว้ทั้งหมดดีไหมพระมหากรตปะบอกว่าถึงยังไงพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วบัญญตัติพระวินัยแล้วท่านก็เห็นประโยชน์ในยุคในช่วงนั้นเห็นมันบเป็นความเพิจริงท่านจึงบัญญัติวินยัยในเมื่อพระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วใช้มาแล้ว พวกเราท่านทั้งหลายจะมาถอนออกเดี๋ยวก็จะถอนตรงนั้นต่าตรงนี้สูงเดียวกับพักพวกอีกต่างหากไม่น่าจะถูกต้องเอาไว้ทั้งหมดดีไหมสงทั้งหลายก็ลงมติใช่ถ้าเป็นลักษณะนี้เอาไว้คงเดิมทั้งหมดไม่มีการถอดถอนซึกค้ามบทเล็กน้อยที่พระพุทธเจ้าได้สั่งเสียเอาไว้จากนั้นก็ ก็เลยคงไว้ทั้งหมดในหลักพระธรรมพินัยทมคำสอนเกี่ยวกับพินัยกฎระเบียบแบบนั้นะให้พวกเราที่ยังไม่ได้เคยได้ยินกับฟังเอาไว้นี่นี่ะพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลไม่ท่านว่าท่าน <Hey. S 1> นิ่งดูได้เรียกว่าท่านรับโดยที่ไม่ได้คิดแต่อ่านท่านรับใ่การกลองไตตรองไว้แล้วแต่เราก็เห็นด้วยนะ ถ้ามาถึงหงลวงพ่ออินหลวงพ่ออินเห็นด้วยกับพระอรหันต์ที่ท่านคงไว้ทั้งหมดเท่าว่าไปถอดถอ น, อนใชีไี่จะทํายังไงมันจะเข้าไข่ไม่สม่ําเสมอกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พักพวกนั้นพักพวกนี้อีกต่างหากนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคือกฎระเบียบของพระภิณายของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้เพื่อปกครองสง ให้สงศ์ได้รับความพรมเย็นเป็นสุขผาสุขได้เพราะพระวินัยถ้าหาว่าไม่มีวินัยพระสงฆ์จะอยู่ด้วยความผาสุขได้อย่างไรถ้าจากนั่นลงมากับศีลห้าสำหรับฆราวาสสำหรับพวกเราเป็นฆราวาสญาติโยมทามาหาเรียยงชีพจะรักษาศีลสองยอย่างพระเนี่ยก็คงจะรักษาไม่ได้ เพราะนั้นรักษาศีลห้าเพียงพอสําหรับคารวาตัตแต่ถ้าไม่มีศีลเลยไม่มีศีลห้าเลยอันนั้นพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันจะเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่เรื่องราวเกิดขึ้นพวกท่านจะหาความผาสุขไม่ได้ในการเป็นคารวาตัตเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายรักษาศีลห้าเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอเพราะพระทัยเจ้าบัญญัติศีลห้าให้กับคารวาตัต แล้วก็ศีลอุโบสถสำหรับผู้ที่จะ อ, ออกบําเพ็ญให้เหนือกว่าทางด้านจิตใจให้บาเพ็ญทางด้านจิตใจให้ตัดความรู้สึกทางโลกออกให้เป็นพรมให้ให้เป็นจิตใจที่เป็นอิสระไม่ต้องยุ่งเหิงกับธาตุกับขันกับร่างกับกายเกินจนเกินไปให้ตัดออก แต่ศีลห้าในการอยู่ด้วยกันแต่ศีลอุโบสถเนี่ยคือส่วนตัวเรื่องส่วนตัวอย่าให้มันจุ่งเหยิงเกินหุนหวายจุเกินไปตัวของเราข้าพเจ้าไม่ควรจะกินอาหารตั้งแต่เที่ยงแล้วไปงดอาหารข้าพเจ้าจะไม่ฟังเสียงร้องรำทำเพลงหรือไม่ร้องรำทำเพลงเองงดเสียงดนตรีทั้งหลายทั้งปวง พอลมคนเรามันรุ่มหลงมัวเมากับเรื่องเสียงทั้งหลายเนี่ยมันเข้าหูเข้ามานี่ยพอได้ยินเสียงร้องรําทําเพลงเออเสียงหญิงเสียงชายร้องเพลงเนีถ้าหญิงได้ยินเสียงชายเสียงชายได้ยินเสียงหญิงฮะไออย่างหมาไอแบมเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมนะฮะมันคิดถึงหมู่เพื่อนพวกมันเนี่ยมันก็หว่วยหวนหาเอออันนี้ก็คือ เรื่องของจิตใจพระพุทธเจ้าให้ตัดอย่าไปคิดอย่าไปร้องรำทำเพลงให้อยู่ในความสงบตัดใจตัวเองอันนี้ก็คือศอ 8, อี่ข้อที่แปดข้อที่ข้อที่เจ็ดข้อที่แปดก็คือมาลากาันทาวิเลตัดกลิ่นออกจากจมูกอย่าไปลูกไลยแต่งตัวหูลาอูอา อ่เป็นตัวตลกตัวละครไปเดียไปแต่งบัดทำไมอะไรมากมายนักหนาให้สุภาพสุภาพเคียบร้อ ย, อยทำความสะอาดอ่ก็เพียงพอไม่ควรจะแต่งให้เกินไปอันนี้ก็คือสีลข้อที่แปะครูบาอาจารย์ทั้งหลายปูนหลังบอกอน่าจะแถมข้อที่เก้าข้ไปอีกข้อหนึ่งอย่าอุดจรารยณนะมหาสยานาะ อย่านอนที่นอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นแล่สำลีอันนี้ก็คือเป็นการหาความสุขในการนอนอ น, นี่แหละแต่ท่านเขาบวกเข้าไปว่านัตจีกับมาลาเป็นชิคขาบทหนึ่งแล้วก็เป็นอุจจาเป็นชิคขาบทหนึ่งรวมแล้วเป็นแปดชิคขาบทอย่างเก่าฮะอันนี้ก็คือศินสาหรับครว่ที่ตัดจะตัดกิเลส ต, ตัดจิตตัดใจของตนเอง มาเป็นอยู่เป็นอิสระแต่ว่าศินห้านั้นสําหรับสินอยู่ด้วยการเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะอย่าคิดฆ่ากันอย่าคิดขโมยกันให้เคารพสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันอย่ากโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันอย่าไปดื่มสุราให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วกาดการยับยัง้งเมื่อขาดการยับยัง้งก็จะทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้อ่า รลาบรละลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้ถ้ามันขาดสติแล้วเพราะฉนั้นอย่าให้ขาดสติอย่าไปดื่มสุราสําหรับคารวะเสียงสินห้าเพียงแค่นี้บินเพียงเท่านี้น่าจะเพียงพอเนี่ยหละพ่อพุทธเจ้าบัญญัติแต่ตามไม่จริงศินห้าของพระพุทธเจ้าก็ดีศินแปดก็ดีไม่ใช่สินหลวพ่อพุทธเจ้าบัญญัติในหลวพ่อพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้บัญญัติไม่ใช่ ถ้าเราศึกษาในตำรับตำราแล้วพระพุทธเจ้านำศีลดั้งเดิมศีนเก่าแก่ศีนปกครองโลกมาตั้งแต่ตึกตำบันในยุคใดสมัยใดท่าว่าคนเชิดชูบูชาศีน5หรือศีน8ในยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่ความพ้าสุขในชุมชนและสังคมศีนห้าก็คือศีนสาหรับผู้คองครองเรือน เป็นคราวาร่าต์ญาติโยมคลองเรือนศินห้าและศินอุโบสถคือศินแปดเป็นศินของฤาษีสีไพรพอออกจากออกไปบวชอยู่ในป่าฤาษีไปบวชอยู่ในป่ารักษาศีลอุโบสถนะท่นะานเลอกินหวัวลำหมากรากไมก้อยู่ในป่าดงพงไพรรักษาศินแปดแล้วก็บําเพ็ญตะปะแพ่งพินิษกษินจากนั้นก็ ได้ซานเมื่อตายจากฤาษีเขานั่นนะขึ้นไปสู่พรมพวกฤาษีสีไพรเนี่ยจะไปสู่พรมพรมโลกสวรรค์ชั้นพรมแต่พวกมนุษย์ทางหลายพอตายจากมนุษย์จะไปสู่สวรรค์จะมากกว่าตั้งแต่จาตุมตุสิตายามาตวติงนิ ม, มารัติปรินิมสวรตีนะจากนั้นก็ต่ำกว่านั้นลงมากเกินมาเกินเป็นมนุษย์ มนุษย์ก็หลายพบหลายชาติอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นมนุษย์รวยก็มีมนุษย์ปานกลางก็มีมนุษย์จนก็มีแต่มนุษย์บางคนมนุษย์จนแต่ก็มีความสุขในระดับหนึ่งเพราะรักษาความจนของตัวเองจนก็จนจริงอยู่แต่ใจทําใจให้สบายแต่มนุษย์บางคนก็รวยก็รวยจรงิงรวยมากแต่ทุกข์ใจไม่รู้เรื่องอะไรตัวไม่อะไรนี่แหละความสุขและความทุกข์เนี่ย มันอยู่ในใจสําหรับคารวัตยาจโจมเพราะฉะนั้ น, นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้พูดปรายายให้ฟังทั้งหมดมาประมวลลงมันอยู่ที่ตัวของเราล่ะทีนี้เราจะวางตัวอย่างไรเราจะทําตัวอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมถ้าเราแบกโลกทั้งโลกเราก็จะหาความ ไม่ได้อย่างที่ว่าเพราะมันหนักไม่รู้เรื่องอะไรตัวมิอะไรแต่เราจะส ล, สลัดเทงทั้งหมดสลัดขนาดไหนถ้าสลัดจริงๆรงก็มีความสุขแต่สลัดพอขนาดได้ขนาดเนึ่งเดี๋ยวความทุกข์มันจะลุ่มเข้ามาก็ยิ่งยิ่งยิ่งทุกข์ยากกว่าเก่าอีกเอาขนาดไหนจึงจะพอเหมาะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรา จะต้องกันกลองตรายตรองกับตนเองแหละใช่ไหมแอบสาหรับนักพจนักบวชก็ถ้าเสียสละได้ตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นดีเลิศเราไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรเป็นนักพจนักบวชเอาภาวนาไปรักษาศีลภาวนาไปถ้ามันมีมาแนละ้วก็เอา้อาอัติเลกขลาบมันพลาดมันเกยมาเราก็ใช้ตามมันมีเอเราไม่ต้องกระโดดโล ด, ดเต้นไม่ต้องไปทุก ไ, ไปทุกไปร้อนกับมันจนเกินไปอันนี้ก็คือ ราบยศสนเสริญสุขจากนั้นก็คือสุขคือต้องหาในใจถึงจะมีอย่างไงเราก็ต้องรู้จักในการบริหารจัดการอย่าให้มันทกในการเป็นอยู่ของตนเองอันนี้ก็คือนักพส์นักบวดถ้ารู้จักประมาณรู้จักการวางตัวก็ด้รับความสุขอีกส่วนหนึ่งแต่พราวาญาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย อย่างว่าก็มีศีลห้าเป็นพื้นฐานไว้ก่อนจากนั้นก็มีทานและก็มีภาวนาบ้างมีภาวนาเป็นพื้นฐานเรื่องภาวนาที่จาเป็นสำคัญเพราะภาวนาเป็นเครื่องอบรมทางด้านจิตใจถ้าจิตใจของเราออกนอกรูนอกทางเกืีดต้ อ, ตอนวุ่นวายไปแล้วจะหาความสุขไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นต้องเอาธรรมะเข้าอบรมจิตใจจะทำอย่างไงใจของเราจรึงจะสงบ ใจของเราจึงจะมีความร่มเย็นเป็นสุขได้นี่แหละอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดนะปรับปรุงกายใจของเราการปรับปรุงกายแล้วปรับปรุงใจของเราเนี่ยเราจะเอรอระเหยลอยลมอยู่ธรรมดาทำรับมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเราต้องหาจุดฐาสถานที่เราควรจะทำยังไงแต่ละครั้งแต่ละเวลาแต่ละการและแต่ละสมัย ต้องหาที่สงบสงัดปรับปรุงกายใจของเราอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดลูกหลานชดทานญาติโยมทั้งหลายนะเราเป็นคราวาสการทําการทํางานเอออันนั้นก็ไม่ปฏิเสธไม่ว่ากันเพราะเราโสแสวงหาทรัพย์พื่อเลี้ยงชีพมันก็จําเป็นแต่เราจะไปหมกมุ่นในการทํามาหาเลี้ยงชีพจนเกินไปจะไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยอันนั้นก็ผิดเหมือนกันนะ ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพรอเราทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกระจกเงาเป็นบรรทัดขีดเส้นเอาไว้เราล้ําเส้นไปทางไหนไปทางสูงแล้วไปทางต่ํเาเดือดไปทางสายกลางที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าไปสายกลางก็อ่านการสาะแสวงหาทรัพย์ก็พอประมาณและจากนั้นเราก็สะแสวงหาธรรมเข้าสู่จิตใจก็ต้องสะแสวงหา หลวงพ่อเปรียบเทียบสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่งคำว่าสุดโต่งก็คือสุดโตง่งถ้าเราจะเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวอย่างดีโดยที่ไม่ได้ทำชกแสวงหาธรรมะถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายนีย่อาหารอย่างดีเสื้อผ้ายางดียาแก้โรคภัยไข้เจ็บอย่างดีที่อยู่อาศัยหรูหราโอ้อาอย่างดีถึงกิ่ซื้อรถซื้อลาให้ร่างกายนี้ ขับขี่ไปราคาแพงหรูขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะเป็นอื่นยังไงถ้าอยู่ไปนานๆเข้าไปอยู่บ้านหรูๆละลาโอ้นะาอานทานอาหารดีๆนเะมีความสุขอย่างนั้นอีกสักหน่อยก็เห็นผมขาวนะ่ะต่อไปก็ตาฟ้าฟางหูตึงไปเรื่อยเลยลเผลได้ถึงก็ถึงจุดจบ่ะถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะมันมันมันไปลักษณะอย่างนั้น ไม่ถึงร้อยปีนะจบหรือร้อยกว่าปีหน่อยๆแล้วก็จบถึงบางทีเลี้ยงดีไขมันอุดตันอีกยิ่งไปเร็วอีต่างหากหเพราะนั้นเลี้ยงร่างกายเลี้ยงขนาดไหนเลี้ยงเถอะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เลี้ยงใจนะที่นี่อย่าไปเลี้ยงแต่กายให้เลี้ยงใจใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิ คิดไปในทางที่ถูกต้องเมื่อคิดถูกต้องแล้วทำก็ถูกต้องพูดก็ถูกต้องจะทำยังไงจึงจะรู้ว่าถูกต้องหรือผิดมิจฉาทิฏฐิที่ชั่มมาทิฏฐิอันนี้เราต้องศึกษาต้องศึกษาต้องศึกษาตามธรรมคำสอนเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราจะรู้อันนี้ผิดคิดผิดอันนี้คิดถูกนี้ทาผิดอันนี้ทำถูกอันนี้พูดผิดอันนี้พูดถูกเพราะนั้น จะอธิบายเรื่องว่าการคิดผิดคิดถูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยืดยาวทีเดียวท่านถ้าจะพูดไปขนาดคิดผิดคิดถูกเนี่ยก็หลวงพ่อคงจะไม่ได้ชันอาหารวันนี้คงจะนั่งพูดอยู่คิดยังไงใจของเราแต่ละคนแต่ละวีแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละนาทีมาคิดอะไรดูสิไม่ต้องดูที่อื่นหรอกให้ดูในใจของเรานะ่ะเอถ้าคิดดีเอ ก็เป็นสัมมาทิฏฐิคิดชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิมันมีดูมีชั่วมีดีมีชั่วมีชั่วมีดีมีดีมีช่วยอยู่ทั้งวีทั้งวันถ้าเรามีสมาธิเข้าไปจับแล้วเราจะรู้ได้นะเราจะรู้ได้ว่าเราคิดเป็นยังไงใจของเราในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ถ้าใจเป็นสมาธิเราจะรู้ได้เมื่อสมาธิดีแล้วก่นเราก็พยายามสกัดสิ่งที่คิดชั่วออกไปทีละน้อยละน้อยละน้อย จากนั้นมีที่คิดดีทดําดีพอคิดดีมันก็ทําดีไปด้วยด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านทุกหานทุกคนนะมาปฏิบัติธรรมถึงจะกลับไปทําการทํางานการย่าลืมศิลธรรมให้ยึดทิศศิลธรรมเข้าสู่จิตใจเอาไว้ทั้งทางโลกเราก็ไม่ได้ปล่อยปล่านเลยทำการสอบสว่างเสวงหาเลี้ยงเกื่องเลี้ยงชีพ แต่ธรรมะเข้าสู่จิตใจเราก็ทําเราก็ค้นคว้าศึกษาแล้วก็การส่อแสวงหาทรัพย์เราก็ต้องเก็บหอมรอมริบเก็บไว้เพื่ออนาคตบุญของเราก็เหมือนกันเราเตรียมไว้เก็บไว้เพื่ออนาคตมันผ่านไปแล้วมันผ่านมาแล้ ว, ลวบุญกุศลที่ให้มาแล้วมันให้มาแล้วในอดีตชาติแต่ว่าอนาคตวันพุ่งนี้ชาติหน้าเป็นยังไงชาติต่อไปเป็นยังไงอันนั้นเราเตรียมไว้ พบชาติต่อไปในการสร้างบุญสร้างกุศลการแสวงหาทรัพย์ก็เหมือนกันที่มันผ่านมาแล้วเดือนก่อนปีก่อนมันผ่านมาแล้วมันก็จบไปแล้วแต่วันพรุ่งนี้เราจะกินอะไรถ้าเราไม่เตรียมเงินไว้ปีต่อไปเดือนต่อไปล่ะเวลาเจ็บไข้ได้ปว่วยล่ะเราจะใช้ยังไงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงของเราเวลามีความจำเป็นเราจะได้ใช้อะไร เพราะนั้นเงินก็คือเตรียมไว้เพื่ออนาคตบุญของพวกเราก็เหมือนกันเตรียมไว้เพื่ออนาคตฮะถ้าเราได้คิดได้อ่านเตรียมไว้อนาคตมันมาผ่านมาเราก็พอที่จะเอาตัวรอดได้พอที่จะหาความสุขในในการเป็นอยู่ในอนาคตของเราได้แต่ถ้าเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจกินวันนี้จบ วันพุ่งนี้มาเลย น, นี้เก็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่มีความจําเป็นตายแลยท่านเอามึกกุมขมับแล้วไม่มีเงินไปหาขอคนนั้นไปหายืมคนนั้นคนนี้เขา้ามามีแต่เพิ่มทุกข์ไปเรื่อยๆอีกนี่แหละอันนี้ก็คือการไม่วางแผนในชีวิตของเราเพราะนั้นให้พวกเราวางแผนนะวางแผนชีวิตของเราเอาไว้ชีวิตของเราจะมีแต่ความพร่มเย็นเป็นสุขอย่างพระพุทธเจ้า ท่านทําบุญทำทานทอะไรหวังโพธิญาณ น, นะหวังโพธิญาณขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นตัตสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตนี่แหละคือความมุ่งหวังของท่านอันนี้พวกเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่พวกเราขอข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าผลหวังพ้นทุก์ในวัฏะสงสารขอให้ได้เป็นพระหัน์อย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดทุกซ้ำซากอยู่อย่างนี้ เราก็ต้องคิดไว้ในใจอย่างนั้นเสมอนะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร